สมาธิถ้าฝึกหัดปฏิบัติดีแล้วจะให้ความสุขหลายอย่างเช่นอย่างที่อยู่บ้านใครว่าอะไรแต่ยังไม่ปฏิบัตินี่ยโอ้ยสู้แม่ได้เหรอต่อสู้กับแม่เหรอ แต่พอภาวานาเป็นแล้วจิตใจสงบสบายใครว่าอะไรก็ไม่โกรธไม่เสียอกเสียใจไม่โต้ไม่ตอบอย่างนี้เรียกว่าทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้แล้วถ้ายิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกหลายเท่าหลาย กระทงทุกคนมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวไม่คิดนึกฟุ้งซ่านในเรื่องต่างๆสามารถที่จะทำใจของเราให้ไม่หวัดไหวได้แล้วเดี๋ยวไปถูกทางถ้าใจถูกทางแล้ว เมื่อก็ดีไปทุกอย่างนั่นแหละจะได้มากผลก็เพราะใจสงบก่อนถ้าใจไม่สงบก็ไม่เกิดมากเกิดผลออกมาเป็นพระเยบุคลได้แต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจตั้งใจจริงๆนะตั้งใจจริงมันก็ดีสำหรับชีวิตของเรา เอาไงก็ดีมดถ้าใจดีแล้วใจสงบแล้วย่อมเห็นทุกย่อมเห็นธรรมในตัวเราเห็นทุกคือความเกิดแก่เก็บตายเรารู้ชัดในใจว่าอันนี้คือชีวิตที่มีธรรมะ อยู่ในใจอย่างคําว่าสมาทิความเห็นชอบเห็นอะไรชอบเห็นอะไรไม่ควรนะถ้าใจไม่สงบแล้วไม่เห็นหรอกไม่เห็นเดินดูก็ไม่รู้สึกว่าได้รับความสงบใจมนันส่ง ฟุ้งไปอยู่เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอันดับแรกนี่ก็ต้องรักษาจิตให้สงบอย่างเรานึกพุโทโธก็นึกพุโทโธไว้ในใจใช้พูดอะไรก็ตามทำอะไรก็ตามจิตพู้นั้นไม่ฟุ้งซ่านไม่เลือดร้อนเลยใจสงบเป็นหนึ่งตลอด พยายามฝึกปฏิบัติให้ได้ครบเจ็ดวันเราจะเห็นความจริงในชีวิตจะเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนใจเรานี่แหละสำคัญฝึกหัดแล้วก็ฝึหกฝหัดใจนะ่แหละดีก็เพราะใจชั่วก็เพราะใจ ได้ทุกได้บาปก็ใจนะเป็นผูดด้ใดแล้วทุกได้บาปใจดีก็เรียกว่ามีบุญจะได้ฝึกหัดอบรมมานี่แหละสำคัญนักขอให้ตั้งใจปฏิบัติสามวันสี่วันมานี่ก็นับว่าดีแล้วเห็นผลด้วยตัวของเราเอง ว่าขนาดนี้เดี๋ยวนี้ใจเราสงบหรือไม่สงบเราก็รู้ของเราได้เรียกว่าปัจจตังปัจจตังให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งให้เห็นใจของเราไม่ฟุ้งซ่านเลยนิ่งกับพุโทโธเลย แล้ย ว, ว่าทําเป็นนี่ไปอยู่ที่ไหนก็ตามเราสามารถเข้าสมาธิได้ตลอดอนั่งอยู่ก็สามารถเข้าสมาธิได้ยืนอยู่ก็สามารถทํากิจให้สงบได้แล้วทํากิจให้เห็นแย้งเห็นจริงเห็นชัดเป็นสัมมาทิฏฐิ คือเห็นชอบเห็นชอบก็คือเห็นใจของเรานี่แหละสมาธิทีเดยก็เห็นเห็นชอบก็เห็นใจของเราจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านเราก็เห็นจิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็รู้จิตเราไม่เป็นหนึ่งเราก็รู้ว่ามันไม่เป็นหนึ่งมันก็ส่ง ตามอารมณ์ต่างๆคำว่าอย่างคำว่าเห็นชอบเห็นยังไงเห็นชอบอะ่ะยังไงจึงว่าเห็นชอบเห็นทุกเห็นเหตุเกิดทุกเห็นข้อปฏิวัติให้ถึงความพ้ทุก รู้จักก่อนเรารู้ก่อนเราเข้าใจก่อนเราเห็นก่อนจึงสอนคนอื่นให้เห็นตามได้ด้วยสามารถที่จะควบคุมกิจใจของเราให้เป็ียนหนึ่งให้สังเกตดูขนาดนี้เดี๋ยวนี้ทุกคนหน้าตาสดใสเป็นจงเป็นอย่างนั้นนะ ทุกคนเลยเพอจิตสงบแล้วมันถึงเห็นถ้าจิตไม่สงบมันไม่เห็นหรอกอย่าเห็นทุกข์เห็นอะไรนี่เราไม่เห็นมันเป็นยังไงในใจของเราเราก็ไม่รู้เพราะเราทายังไม่เป็นถ้าผู้ที่เขาทำเป็ี่ยนคอยกาหนดรู้ปับ เบ็ดปับแก้ไขได้ทันทีแก้ไขได้ไม่ฟุ้งซ่านลำคาญใจมีความสุขอยู่ภายในภายในใจนี่แหละมีความสุขมีความสงบมีความเป็นหนึ่งเดียวนี้ไม่้น มันนี้พ้นจากทุกข์ถ้าเห็นว่ากายเรานี่ใจเรานี่เป็นทุกข์เราก็เห็นชัดในใจของเราเพราะวเป็นอย่างนี้เดียว่าทุกข์คนเป็นทุกข์ก็เพราะว่าหนึ่งเห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความระดับทุกข์เห็นความตั้งเที่ยงตะมั่นของใจ ใจควรจะฟุ้งซ่านแต่มันไม่ฟุ้งซ่านมันสงบสงัดมันดีขึ้นขอให้พิจารณาดูมันดีขึ้ น, น, า น, นตามที่อธิบายมานี่ไหมมันเห็นทุกข์ไหมทุกข์คืออะไรทุกข์คือความเกิดความแก่ความเก็บความตายอันนี้ก็ทุกข ทุกเป็นของควรกาหนดรู้กำหนดรู้ว่าโอ้ขันอันนี้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงนอะเนาะมันไม่เที่ยงจริงๆรมันมีอารมณ์ันเดียวจริงจริงมันเที่ยงมันสงบหรือไม่เที่ยงไม่สงบเราก็เห็นได้ด้วยใจของเราเองเรามีสติมีปัญญา สามารถรู้เห็นความเป็นไปเหล่านี้ด้วยใจของเราเองเวลาเราจะตายกิจเราก็ต้องเห็นนิมิตเสียก่อนเกิดขึ้นเห็นเกิดขึ้นในใจใจก็ถ้าเป็นผู้ภาณิชยบุคคลก็หลบปั๊บทันทีเลยหลบนี้จากความ วุ่วนวีวุนลยหลบหนีปั๊บทันทีเพราะ น, นั้นเราต้องพยายามให้มากทำให้มากเจริญให้มากจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้ดีเป็นพระนิพพานเข้าถึงพระนิพพานด้วยใจของเราเอง เราเห็นในครอบครัวผัวเมีย เ, เหมือนกันถ้าไม่มีธรรมะอยู่กันไม่ได้สามารถที่จะทำความทุกข์เดือดร้อนแก่กันนั่นนี่สำคัญอยู่ให้ทำไปอย่าท้อยอย่าถอย เราคิดว่าเรารู้ว่าธรรมคำสอนเข้าใจพระธรรมคำสอนแล้วเราทำสมาธิเป็นไหมละ่ะเราทำสมาธิเป็นไหมหรือทำไม่เป็นเรารู้อยู่ในใจของเราใจของเราแหละเป็นผู้เป็นต่างๆสุขก็พาใจทุกข์ก็้าใจ การเวียนรายตายเกิดกับพาะใจอันนี้ยังยึดถืออยู่ไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่มีสิ่งที่จะขั้นกลางพอเราได้ธรรมะแล้วเรามีธรรมะในใจแล้วไม่จำเป็นต้องห่วงตายก็ไม่ห่วงทุกคน มีความเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งนั้นเราไม่เห็นโทษเห็นทุกข์เมื่อเราเห็นโทษเห็นทุกข์เราก็ทําให้แจ้งซึ่งจิตของเราให้มันปล่อยวางให้ได้ถ้าจิตปล่อยวางจากกิเลสได้ก็ถึงทําคําสวดพระรัตเจ้าได้ ถ้ากิดวางไม่ได้ก็ฟุ้งซ่านตามเรื่องถ้าอยู่ที่นี่ก็ออ พ, อพออยู่ได้แต่พอกลับไปบ้านแล้วมีปัญหา ม, มาทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะแต่ละคนหวังจะเอาสุขแต่มันยังไม่ได้สุขมันเกิดได้ทุกเราก็ทนไม่ได้บางตีเราทนไม่ได้เลยก็ต้องแก้ไข แกาขให้กิจนี่สงบด้วยการพิจารณาไปนี้พิจารณากายนี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแก่ท่ามกลางมีดับสลายตายไปเป็นที่สุดพอสาคัญ เราต้องพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราอย่าไปพิจารณาที่คนอื่นเราเห็นใจของเราใจของเราสงบรู้ไม่สงบเราก็รู้ได้ตั้งเที่ยงตั้งวันหรือไม่ตั้งเที่ยงทั้งวันเราก็รู้ได้ถ้าเราภาวนาเป็นแล้วตายไม่ตกนรงกนะไม่ตงงกนรก ครูบาอาจารย์นั่นก็พูดถึงถึงกิจที่ไม่สงบเลยมันก็เป็นทุกข์แต่ถ้าทำให้มันสงบได้มันไม่เป็นทุกข์มัน พ, นพ้นทุกข์เป็นพระเ ย, ยบุคคลในพุทธศาสนานี้ในพระธรรมคำสอนพระเจ้านี่แหละเราเห็นชาติเจนในใจของเราเราปล่อยวางได้ ถ้าสมาธิเรามีกำลังเราสามารถพิาราพวางปั๊บทันทีหรือว่ า, าปล่อยวางได้เราก็นดรู้ลมาหายใจปั๊บความสบายก็เกิดขึ้นเลยควรจะไปโทษเขามันก็ไม่ถูกตัวเราต้องโทษเราโทษเระเกิดขึ้นจากใจของเรา ใจของเราก็ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดให้ตั้งเทียงตั้งมั่นอยู่ได้ขอให้พิจณาให้มันถูกให้มันดีเจนากายอันนี้แหละแต่ว่าจิตต้องสงบก่อนนะถ้าจิตไม่สงบมันไม่ได้ผลน่ น, นะหรือสงบที่ไม่ถูกทาง หนีจากมารพีองแปดไม่เอามารพีองแปดนั้นมาพิจารณาเอามาทําให้จิตสงบทำให้จิตให้เห็นจริงแจ้งว่าจักเห็นพุโทโธพุโทโธนะ่ะใจกับพุโทโธเป็นอันเดียวกันอะไรแบนี้ใจเราก็สบายทําอะไรอยู่ก็สบาย ยืนอยู่ก็สบายนั่งอยู่ก็สบายนอนอยู่ก็สบายยิริยาวทั้งสี่นี้เราเพิจารณาแล้วหนีจากความเกิดความแก่ความเก็บความตายไปไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติให้จิตสงบหรือว่ถึงมรรคถึงผลมันไม่สามารถที่จะทำให้เรานี้อยู่ไปได้ หากิจมันไม่อยู่แล้วนี่มีเงินเป็นล้านแล้วก็ไม่สนใจไม่สนใจในการกำหนดรู้ไม่สามารถทําให้แจ้งได้ไม่สามารถที่จะทําให้เห็นกายนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอย่างนี้แหละถ้าเห็นอย่างนี้สามารถที่จะ ทำกิจที่ไม่หลุดพ้นให้หลุดพ้นไปได้จริงๆเพราะอะไรเปนจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามรรคมีองค์แปดนี่เราถือมั่นเลยดําเนินตามนั้นแหละดําเนินตามมรรคมีองค์แปดนั่นแหละมรรคมีองค์แปดก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความรำลึกชอบสัมมา กรรตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบเป็นต้นต้องเอาธรรมะอันนี้เข้ามาสู่ใจเพื่อจะแก้ไขภายในของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่องหาใจของเราพ้นจากทุกข์เวลาที่เราทอดทิ้งการทำความดีมาจนอายุป่านนี้แล้ว ก็ยังทิ้งไม่ได้จังปล่อยวางไม่ได้ทุกก็มีอยู่แต่มันไม่เห็นทุกพอถ้าเห็นทุกก็เห็นธรรมเห็นคําสอนพุทธเจ้าชัดเจนในใจสามารถปล่อยวางได้สามารถละความยึดมั่นถือมันได้ลองพิจารณาดูเวล า, เานั่งอยู่นี่แหละพิจารณาส่วนต่างๆ เห็นชัดในความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปของใจดวงนี้มันท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในวัดรงสารนานแสนนานนั่นก็เป็นเพราะไม่รู้แก้งในอริยสัจธรรมคือไม่รู้แก้งในสมาธิทีิสมาธิคือเห็นชอบใจไม่เก็มแก้ง พราะอะไรเพราะการทําสมาธิมันยังอ่อนอยู่แต่ถ้าสมาธิดีแล้วมันแจ้งชัดรู้แจ้งชัดเลยเห็นความเบื่อหน่ายคลายความยินดีเลยเห็นชัดเห็นชัดด้วยใจของเรานี่แหละพ้นทุกแล้วหรือยังไม่พ้นทุกก็เห็นชัดในใจมันบอกขึ้นมาเลย บอกขึ้นมาที่ใจนั่นแหละว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นใจเป็นผู้รับรู้ใจเป็นผู้จิตผู้คล้องหรือผู้ปล่อยวางนั่นแหละให้พยายามในชีวิตของเรานี้ให้ใจของเราอยู่กับกับหลัก เ, เรานึกอพุโทโธนี่ก็เป็นสมาธิตีนะพุโทโธพุโธอยู่ถ้าทำอย่างนี้ไม่นานเกินไปหรอกพักผลย่อมเกิดขึ้นได้หรือว่าวันนี้ขณะ น, นี้เราทำความภาคความเพียร เพื่อหนีจากกองทุกข์ให้ได้ต้องปฏิบัติให้ดีให้เข้มข้นอยู่ที่วัดก็ปฏิบัติได้อยู่ที่บ้านเราก็กําหนดได้ปฏิบัติได้อยู่ที่ไหนเราก็สามารถปฏิบัติได้พรธเจ้าจงไว้เรือนว่าง กองฟางเดือนว่างคือเดือนไม่มีคนอยู่พระไปปฏิบัติหรือโยมไปปฏิบัติในที่นั่นทากิจสงบในที่นั่นนั่นมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วเมื่อกำหนดมันก็ปล่อยวางได้ไมายึดมั่นถือมั่น ไม่ตั้งเที่ยงตั้งมั่นเราเห็นชัดทุกอย่างนั ถ, ถึงว่าทิฏฐิทิฏฐิก็คือความเห็นมันเห็นชอบไหมเรารู้ได้ในตัวของเราเราวางได้ไหมถ้าวางได้ก็เป็นพระเยรีสอลคมโสราบันขึ้นไป ให้ปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจในการที่ฝึกหัดทำความดีรู้วิธีการชำระจิตใจและกิเลสของเรามันจังอยู่หรือมันปล่อยทิ้งไปแล้วเราทำดูนึกพูดตัวอยู่สัก เดือนหนึ่งหรือสองเดือนเราจะเห็นชัดในสิ่งที่เรารู้เราเห็ น, น, นขึ้นในใจอย่างเต็มที่คือมันวางได้หมดมันไม่ยึดไม่ถือมันวางไว้หมดวางได้หมดถือมาเป็นอารมณ์ไม่ได้เราต้องวางได้เราจึงสอนคนอื่นให้รู้ได้ ถาวางไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปสอนตรงไหนพอไม่วางพิษฐีโ อ, เโอเ้เต็มบ้านเต็มเรือนน่ะเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดอะไรก็ตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะธรรมารมณ์เราพิจารณาไปอย่างนี้เรายังไม่เห็น ยังไม่เห็นชัดมันละไม่ได้มันเข้าไปยึดถือเอาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ควรรู้ควรกำหนดมันก็ละวางกิเลสตัณหาได้อีกไกก็เป็นสุขดำเนินไปในทางที่ถูกที่ดี จดหมดสิ้นซึ่งความยึดถือคิดมั่นรู้ชัดเห็นชัดด้วยตัวของเราเองใจเราสงบรู้ไม่สงบเราสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองใจสงบเป็นยังไงใจไม่สงบเป็นยังไงเราก็ให้รู้ว่ากิเลสเป็นอย่างหนึง่งใจเป็นอย่างหนึง่ง ใจไปยึดถือเอายึดถือเอาขันห่านเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเรายึดถือเราถือผิดเพราะว่านาของเราก็ผิดไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องมันวางหมดอะมันวางมดมันไม่เข้าไปยึดไปถือเอาอะไรเลย เงินทองมนก็ไม่ติดอะไรมันก็ไม่ติดใจมันวางอยู่ตลอดกระทบอารมณ์น้อยใหญ่ใจวางทันทีละความยึดมั่นถือมั่นทันทีปล่อยวางทันทีนี่แหละให้พินาลงไปใจนี่เป็นใจที่ดี เป็นใจที่ตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่กับภาวนาชาตินี้ไม่ผิดหวังหรอกเหมือนหลายันก่อนนะ่ะตมาว่าโจรหนงคุริมานนะ่ะพระพุทธเจ้ายังปวดเอาได้เรามีความผิดเล็กเก่น้อยมันก็เห็นโทษเห็น ไม่ดีไม่งามก็ปล่อยวางได้แต่ยังเห็นดีเห็นงามอยู่ก็ปล่อยวางไม่ได้เอาทุก์ออกจากใจไม่ได้เราต้องหัดใจของเราให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอบรมทำให้แจ้งทำให้เห็นชัดเห็นด้วยใจนะไม่ใช่เห็นด้วยกายอันนี้สาหรับผู้ปฏิบัติถึงแล้ว แต่ผู้ปฏิบัติยังไม่ถึงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ดีขึ้นก็สงสัยอยู่ตลอดไม่ตั้งเที่ยงตั้งมั่นเลยตั้งใจทำความสงบลงไปสามารถวางได้แต่เราต้องเห็นใจของเราก่อน เห็นกิเลสในใจของเราก่อนเราปล่อยวางได้นั่นแหละเราภาวนาเป็นแล้วรู้จักปล่อยวางรู้จักยิดมั่นถือมัน่นอันไหนดีอันไหนไม่ดีเราสามารถตรวจ ด, ดูได้สามารถละสามารถวางความยึดความถือได้ ความหลงความโง่งง่ายเข้ามาสู่ใจเราไม่ได้เพราะใจเรามีมารแปดอยู่กีเดีดก็หมดไปสิ้นไปเราชนะคราวนี้ได้ชนะคราวต่อไปมันก็ไม่มีปัญหา เ, ลเวลาเราฝึกหัดนี่มันทำได้แล้วนี่ต้องทำให้มันคล่องกว่านี้อีก ให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนยในใจต้องทำภาวนาให้ละเอียดละความยึดความถือทั้งหมดละความอยากความต้องการให้หมดสิ้นไปเราสังเกตได้ตอนนี้ก็ใจเราสงบรู้ไม่สงบเราสามารถรู้ได้เลย แต่เวลาสีวันที่เราฟื้นขาดมานี่ถ้าไม่มงูอไม่เขา่าไม่ขี้ขาดมันต้องรู้รู้ทางพ้นทุกข์ก่พ้นทุกข์ก็คือพ้นจากกิเลสอิเหนม่ได้พ้นจากสิ่งอื่นพ้นจากกิเลสใจมันพ้นจากกิเลสมันก็เบาสบาย ปล่อยวางได้ต่อสู้ไปได้กับกิเลสตันหาราคะแล้วนี่มันวางหมดแต่อย่าประมาทนะว่าเราปล่อยวางได้แล้วเราเป็นพระโยคนแล้วอย่าบุกการาอันตรามีมากต้องกกิบเป็นภายในพอเราไปพูดว่าเราบรรลุนั่นนี่ถ้าเกิด เขาด่าเขาว่าอันนั้นนี่นานนะใจมันวางแล้วไม่ใช่วางอย่างอื่นนะคือวางความยึดความถือได้อันนั้นก็พอใช้ได้ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติามาคอยเดินไปดาเนินไปเรื่อยๆเราชำระกิจของเราให้สงบได้มันก็เป็นทางดำเนินที่ถูกต้อง แต่ถ้าวางไม่ได้มันอ ะ, อะไรก็ไม่ดีสักอย่างเพราะฉะนั้นต้องหัดปล่อยหัดวางแก้ไขจิตใจของเราหายใจที่เป็นสุขใจที่เป็นกิเลสอันหาชำระใจยึดที่ยึดที่ถือนั่นนหะ ถ้าเราไม่ยืดไม่ถือเราก็พ้นทุกข์ถ้าเรายึดถืออยู่เต็มที่เราก็ไปมีทุกข์เต็มที่ให้พิจารณาดูให้ดีเราละได้ไหมเราปรับจิตใจของเราให้ดีขึ้นได้ไหมพูดง่ายๆเราเห็นทุกข์ไหมในตัวนี้เห็นทุกข์เห็นโทษ เห็นความไม่ดีไม่งามภายในใจใจก็ไม่ปล่อยวางยึดอยู่ติดอยู่หลงอยู่มัวเมาประมาทอยู่นั่นทางไปนรกนันทางไปนรกถ้าใครประมาทอยู่ต้องเป็นนรกแน่นอนให้ดูแต่คนสิ มันก็เหมือนเขาโคไคนที่ทำดีทำชอบในบรรุมากค น, นี่เหมือนเขาโคเลยเขาโคมีสองเขาเขาโคเป็นของมากที่ไหนเขาโคนะสองเขาเท่านั้นเองแต่ว่าคนโคมีเยอะไหมเยอะมาก ขนโคมีมากหนีจากอบายภูมิได้เท่าเขาโคลนเห็นไม่ชัดเห็นไม่จริงแก้มพอจักเห็นปล่อยวางไม่ได้มีความยึดถืออยู่ตลอดก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เลยว่าเป็นทุกข์อยู่ตลอดเป็นโทษอยู่ตลอด ปล่อยวางไม่เป็นมีแต่ยึดถือมีแต่ความสำคัญมั่นหมายในตัวเราทั้งหมดให้เราพิจารณาดูให้ดีคนที่ไปอภะสสว า, ายาภูมิเนะี่ยเหมือนขนโคลเนะเราสังเกตดูสิ คนที่ทำดีได้ไปสวรรค์ได้ไปพรหมโลกได้เข้าพระนิพพานมันมีน้อยให้คิดดูสินขนโคมันมากแล้วมันน้อยคนไปส่วไปเยืภูมิเหมือนเขาโคมอยู่คนละความยึดมันถือมันไม่ได้ ลวความยึดมั่นถือมั่นได้คนเหล่านั้นก็เห็นสุขพิจารณาลงไปที่ตัวเราเรานีนเป็นเขาโครหรือขนโคโดยมากคนทั้งโลกนี่เหมือนขนโคลนแหละไปสู่ความพ้นทุกข์นันมีน้อย คนที่ยึดที่ถือคนยังปล่อยวางไม่ได้ยังไม่มีมรรคมีผลมันมากไหมมันต่างกันไหมเราทำอย่างนี้จิตเราสบายสงบเยือกเย็นอันนี้แหละเขาโคล่ละถ้าไห้ทำได้ทำป็นถ้าทำไม่ได้ทำไม่เป็น แล้วก็มาตั้งใจฝึกหัดมันก็ติดก็คล้องอยู่นั่นแหละหลงเพลินเพลินกับกิเลสตัณหาเนี่ยไม่รู้จักทางแห่งความดีทางแห่งความดีคือมรรคแปดมรรคแปนี้เป็นทางแห่งความดีต้องปฏิบัติตามมรรคแปดให้ได้ให้สังเกตดูสิ เราเห็นชัดไหมสมาธิเทียงความเห็นชอบเห็นชอบในอะไรเห็นชอบในใจของเรานี่ใจของเราเนี่เป็นผู้เห็นชอบกายนี้ไม่เห็นอะไรแต่ใจนี่เห็นทุกเห็นพทดเห็นอะไรต่างๆเกิดความเบื่อหน่ายคลาความยินดีก็เพราะใจของเรา ปฏิบัติได้ก็ทำตามได้สิ้นทุกสิ้นตันหาสิ้นกิเลสความำรำลีชอบำรำลีออกจา ก, กรรมรำรีไม่พยาบาทรำรีไม่เวียดเบียนคือไม่คิดนั่นแหละไม่คิดพยาบาทพองร้ายใครถ้ามันอดไม่ได้ก็พยายาม ให้พิจารณาเราไปว่าเราก็ตายเปลี่ยนคนอื่นก็ตายเปลี่นคนทําดีก็ตายคนทําชั่วก็ตายใครทําดีได้มากคนนั้นก็มีความสุขมากทําดีไม่ได้เลยนี่อากกอดทุกข์ไม่ได้เลยไปจนถึง อ, อันสุดท้ายสัมมาสติสมาสมาธิสมาสมาธิ ใจตั้งเพียงตั้งมั่นไม่สำคัญมั่นหมายไม่เห็นมีตัวมีตนอยู่ตรงไหนที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี่เราว่าของเราจริงอยู่ยึดไปกับทุกไปถ้าไม่ยึดปล่อยวางได้ก็สูกไป เราทําไปแลนะ้วเนี่ยมันเกิดความรู้ความเหตุขึ้นมาชัดเจนแจ่มแจ้งเราเห็นชัดเห็นอริยมว่ามีองเปดชัดแล้วก็ปฏิบัติตามนี้อย่างที่ว่าสัมมาสมาธิตั้งสมาธิชอบแล้วนะ่ให้พารนาดู ใจมันเห็นชอบแล้วอะไรก็ดีชอบหมดแหละเห็นความยึดความถือว่าเป็นของควรกำหนดรู้ถ้าเราได้สมาสมาธิคือความตั้งเที่ยงตั้งมั่นของจิตหาจิตให้เป็นสมาธิ ถ้ากิดเป็นสมาธีแล้วไม่ก็เห็นความสุขเห็นความไม่ยึดไม่ถือเห็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากิเลสมันเยอะเราก็ต้องทําความดีให้เยอะเหมือนกันมันจึงจะเอาชนะได้ผัวมีธรรมะเมียก็สบายใจ เมียมีธรรมะก็สบายใจถ้าผัวเมียปฏิบัติธรรมด้วยกันดำเนินชีวิตตามมอกเปรกเหมือนกันโอ้โหครอบครัวนั้นมีความสุขมากขมาแรงมาก็นั่งสมาธิซสียก่อนยิ่งค่อยหลับค่อยนอนส่วนตองรอนก็นไปตามหน้าที่การงานกลางคืนก็ ัดภาวนาทำไปเรื่อยใจก็จะสบายสงบเยือกเย็นเป็นสุขไม่ตกต่ำทั้งคู่คกืดจากไหนเกาะได้มาพบกันถ้าผัวเมียเข้าใจกันก็มีความสุขสิมีความสุข มีความสงบมีความเป็นหนึ่งของใจมีใจตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่กับสมาธิเท่านี้แหละก็ครอบครัวก็มีสุขเลยแต่ถ้าต่างคนต่างพฤติต่างคนต่าง ร, รมเอาพุทธเจ้าสอนมาไม่ดีผัวมีธรรมะแต่เมียมไม่มีธรรมะ อยู่กับไม่ได้หรอกครอบครัวนั้นแตกสมำไปีไม่มีสุขความทุกข์ความเดือดร้อนก็มีขึ้นเราชำระจิตของเราให้บริสุทธิ์ได้สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ให้พากันพิจนา หลักคำสอนนั้นมีเยอะอยู่แต่ก็นีจากทานศีลภาวนาไม่ได้ทานคือการให้ศีลก็คือความที่ใจมั่นคงเป็นสมาธิปัญญาก็คือความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้งสี่นีจากกองทุกข์ได้เลยมีชีวิตอยู่เหมือนอยู่สวรรค์ ขอให้ตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยจะมีความสุขความจเจริญในครอบครัวผัวเมียอะ